วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2538ในลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระพิธรรมในหัวข้อเรื่องปริญญาปัญญาโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัทธาบัด น, นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วให้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพ ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะพระคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายเรื่องปริญญาปัญญาในวันนี้บางทีท่านอาจจะนึกแปลกใจว่าเอกสารที่แจกให้ชุดแรกซึ่งมีทั้งหมดสามหน้านั้นไม่ปรากฏคำว่าปริญญาอยู่เลยสักทีเดียว ก็ขอเรียนทำความเข้าใจว่าการอธิบายเรื่องปริญญาปัญญาจะอธิบายผูกพันกับยานสิบหกอย่างลึกซึ้งและเรื่องยานสิบหกที่จะกล่าวถึงในโครงการการบรรยายเที่ยวนี้จะไม่อธิบายโดยพิสดารซึ่งก็ตั้งใจว่าเรื่ยานสิบหกนั้นจะนําเอามาอธิบายเป็นเอกเทศอีกคราวหนึ่งก็ขอได้ โปรดติดตามดังนั้นเรื่องปริญญาปัญญาที่จะพูดถึงในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการให้พื้นฐานในคราวหน้าท่านจะได้ทราบหรือจะได้อธิบายถึงเรื่ององค์ประกอบของความเป็นปริญญาปัญญาในพระพุทธศาสนาที่จะอธิบายอย่าง เ, าเรียกว่าครบทั่วในส่วนหลักสาคัญสำคัญ ในวันนี้จึงขอจะพูดถึงคําว่าปริญญาปัญญาสักนิดเดียวครับก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาตามเอกสารคําว่าปริญญาเนี่ยเราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเพราะว่าครูบาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาแต่ครั้งโบราณได้เอาคําอันเป็นชื่อของอาการทางปัญญาในพระพุทธศาสนาขั้นภาวนาไปใช้กับความสําเร็จ ทางการศึกษาสายโลกสิ่เป็นเพียงภาคปริญญาเราก็เลยคุ้นกับคำว่าปริญญาในฐานะที่เป็นบัตรเราเรียกว่าปริญญาบัตรแต่จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแต่ปริญญาในพระพุทธศาสนาและตามความหมายนั้นปริญญานั้นแปลว่าคือพอแปลเป็นไทยแล้วหนักบัรเบนะฮะก็เลยต้องต้องแปลกันแบบอธิบายนิดหน่อย คือตามสัพป์เนี่ยปริญญามแปลว่าความรู้รอบในภาษาไทยเรามีคำว่ารอบรู้ซึ่งก็มีความหมายเป็นลักษณะที่เราก็ยังรู้สึกว่าผิวเผินหรือเหินห่างไปจากความหมายที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาดังนั้นคำว่าปริญญาที่มาจากคำว่าปริแล้วก็อัญญาปริแปลว่ารอบอัญญาแปลว่ารู้ ซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยครับรวมกันเป็นปริญญาแปลว่าความรอบรู้หรือรู้รอบก็ได้หรือแปลว่าความรู้รอบครอบก็ได้ความรอบขอบความรู้รอบขอบไม่ใช่ความประพฤติรอบขอบที่เป็นเรื่องของทางกายทางวาจาหรือการพูดรอบขอบแต่เป็นความรู้รอบขอบคำว่าความรู้รอบขอบเนี่ยถามว่ารู้อย่างไรรู้รอบรอบในอะไร ที่เขียนว่ารู้ครบวงจรเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาแปลหรอกแต่ว่ามันมีความหมายให้อยู่แล้วก็มันคล้ายสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดจากันอยู่ว่ารู้อย่างครบวงรู้อย่างครบวงก็ไม่ครบวงเนี่ยผลได้ในทางความรู้นั้นหรือความลึกซึ้งในความรู้นั้นแตกต่างกันนี่เป็นเรื่องของพยัญชนะนะของคำว่าปริญญาซึ่งเป็นอาการของปัญญา เพราะฉะนั้นปริญญาปัญญาถ้าใช้คู่กันอย่างนี้ปัญญาเป็นตัวรู้เป็นเจ้าของความรู้นั้นปริญญาเป็นอาการของความรู้ปริญญาปัญญาจึงหมายถึงปัญญาที่รู้รอบคอบหรือรู้อย่างครบวงจรตามความหมายของทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาคือไม่ใช่รู้ทฤษฎีนะ แต่หมายถึงรู้ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในพระพุทธศาสนาทีนี้ถ้าถามว่ารู้รอบเนี่ยรอบอะไรถ้าท่านมาฟังคราวหน้าก็าจะเห็นชัดเลยท่านว่าถึงกระบวนการมาอย่างครบสมบูรณ์วันนี้ก็พูดแต่เพียงย่อว่ารอบหมายถึงรอบมนันหนึ่งหรือเรียกเป็นภาษาของท่านบางทีใช้คําว่ารอบวัดผูก วัตถุตรงนี้ไม่ได้หมายถึงวัตถุสิ่งของตามความหมายในภาษาไทยแต่หมายถึงรู้รอบอารมณ์อารมณ์ตรงนี้หมายถึงอารมณ์ที่ตัวปัญญาหรือตัววิปัสนากินไปจนถึงมรรคผลซึ่งเป็นผู้เข้าไปกำหนดรู้ก็หมายความว่านามและรูปที่เราใช้เป็นอารมณ์วิปัสนา หรือเป็นอารมณ์ของปัญญาพิเศษเนี่ยผู้กำหนดจะต้องกำหนดรู้ให้รอบให้ครบวงจรไอ้ความรู้ไม่ครบเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ตั้งแต่เริ่มทำวิปัสสนาได้เช่นเรารู้ว่าอะไรเป็นนามเป็นรูปและจะต้องเจริญ ส, ส, สติสัมปชัญญะลงไปที่นามและรูปนั้นเราจับนามและรูปเป็นอารมณ์ได้เมื่อใด ก็แปลว่าปัญญานั้นชื่อว่าได้กระทําวิปัสนาแล้วแต่ถามว่ารู้รอบหรือยังตอบว่ายังไม่รอบไอ้รอบเนี่ยมันมันกี่รอบและรอบอย่างไร อ, อผมจะไม่ขยายความพิสดารตอนนีอ้ออย่างเช่นในคั้นอาเดียศาสตร์ท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าสัจจญานกิจจะยาณกตะยา น, ายา น, ายานอันนั้นก็อันหนึ่งเป็นระดับขั้นมรขั้นผล แต่ว่าขั้นวิปัสนาเบื้องต้นเนี่ยก็มีคำว่ า, าสัจจะญ า, าติปริญญาคือรู้ตามความจริงอันนี้เราพูดเลยไปแล้วก็รู้ในเชิงกิจรู้ในเชิงกิจสัจญานกิจญจาณเทียบเหมือนกับในขั้นโลกตละลนะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ปารหานาปริญญาคือการกำหนดรู้ในการประหารกิเลส อันนี้คือรอบที่ท่านว่าไว้ในขั้นของปริญญาเราย้อนกลับมาพูดให้ชัดอีกนิดหนึ่งนะว่าการรู้รอบอย่างที่เราว่าเนี่ยผู้ปฏิบัติวิปัสนาจึงต้องกาหนดย้ำแล้วย้าอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปที่นามและรูปนั้นจนกระทั่งครบทั่วคือครบวงจรของความรู้ จึงจะบรรลุความสำเร็จที่สมบูรณ์ของการทาวิปัสสนาและเมื่อนั้นแหละผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปริญญารู้รอบจริงๆนั่นเป็นส่วนหนึ่งปริญญาในพุทธศาสนานั้นมีข้อพิเศษออกมาอีกกรณีหนึ่งคือรู้รอบตัวเองที่เราเรียกว่าความรู้รอบตัวเนี่ย บางทีเราก็พูดกันหมายความว่าไม่ได้รู้ตัวเองนะฮะรู้เรื่องอื่นเช่นไปอ่านหนังสือความรู้รอบตัวแล้วก็รู้เรื่องนั้นนิด ร, รู้เรื่องดีหน่อยเรียกว่าเป็นความรู้รอบตัวแต่ความรู้ที่เป็นปริญญานั้นรู้ตัวเองอย่างครบรอบก็คือผู้บรรลุ ป, ปริญญาในพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะรู้ตัวสภาวะของธรรม ที่ใช้กำหนดเป็นอารมณ์แล้วจะต้องรู้จักปัญญาด้วยที่ท่านบอกว่ากำหนดนามและรูปเป็นอารมณ์ก็ด้วยแทงตลอดนามและรูป ก, ก็ด้วยแล้วก็กำหนดปัญญากำหนดสติให้แทงตลอดด้วยทั้งสองอย่างนี้จะเป็นไปคู่กันที่เป็นอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่ า, าการจะเดินปริญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ย ผลมุ่งเฉพาะหน้าที่สาคัญเฉพาะหน้าเนี่ยหมายว่าทุกๆกฝีก้าวตั้งแต่ต้นไปกระทั่งถึงบรรลุมรผลเนี่ยมุ่งละกิเลสเมื่อละกิเลสได้แล้วอย่างอื่นที่เราไม่ปรารถนาก็ละได้อย่างอื่นที่เราปรารถนาก็สําเร็จได้ด้วยการละกิเลสถ้ากิเลสยังอยู่ผลที่ออกมามันก็โกงกันครับเอในกรณีนี้น่ะ อธิบายว่าถ้าเราแทงตลอดในนามและรูปเราก็จะทำให้กิเลสที่เคยเกิดกับ น, นามกับรูปเนี่ยมันอาศัยนามรูปเกิดไม่ได้แต่ถ้าเราไม่แทงตลอดปัญญากิเลสนั้นอาจจะมาอาศัยปัญญาเกิดอย่างที่เรียกว่าคนรู้มากแล้วก็หลงตัวเองที่หลงตัวเองเขเพราะว่าไม่รู้ปัญญาของตัวเองจึงหลงตัวเอง ถ้าเรารู้ทั้งสองส่วนกิเลสก็ไม่จับทั้งปัญญาและอารมณ์ของปัญญานั้นจึงต้องรู้สองอย่างนี้ไปด้วยกันนี่คือลักษณะอย่างสั้นที่สุดของคำว่าปริญญาคือความรอบรู้ในพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าปริญญานั้นเกี่ยวพันอยู่กับญาณสิหก เราจึงต้องทําความเข้าใจเรื่องยานสิบหกเป็นพื้นฐานให้ดีแล้วก่อนในวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องยานสิบหกในส่วนที่จําเป็นกับพื้นฐานของความรู้นั้น เ, เรื่องยานสิบหกหรือในภาษาบาลีใช้คําว่าโซและสายานเราดูลําดับของยานสิบหกก่อนนะครับเอกสารที่แจกให้คราวหน้าคงจะต้องแจกตามเพราะว่ามี บางสิ่งบางประการคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องแผนภูมินะการขีดตัวเลขเล ข, ขีดเส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยครับละเอียดบางทีก็เข้าใจกันผิดก็เลยขีดเลยไปบ้างอะไรบ้างความหมายก็เคลื่อนไปผมจะอธิบายไปตามแผนใส และท่านคอยแก้บางอย่างบางจุดที่ผมจะบอกให้แก้ไขเพิ่มเติมนะในแผนภูมิที่แจกให้อายานสิบหกเราดูตรงกลางก่อนเลยฮะยาน1ิหกมีอะไรบ้างยานที่หนึ่งนามรูปปริเฉทยานแยกรูปแยกนามได้อธิบายไปเลยเอที่ว่าแยกรูปแยกนามหมายความว่า ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเมื่อพยายามทำวิปัสสนาในเบื้องต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะจับให้ถูกรูปถูกนามคือเอาสติสัมปชัญญะจับรูปจับนามให้ถูกพอจับให้ถูกแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องเพิ่มความเข้าใจชัดเจนในนามรูปนั้นไปโดยลำดับเรื่อยๆถ้าเบื้องต้นเรายังจับรูปจับนามไม่ถูก เมื่อนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุนามรูปปิจิเ ท, ทยานโดยลำดับต่อไปได้อันนี้เราก็คงจะรู้ในเบื้องต้นว่าในการทำวิปัสสนาถ้าหากว่าเรายังไปจับเอาบัญญัติเอาสิ่งที่ไม่ใช่สภาวะประมัตา์เป็นอารมณ์อยู่ตราบใดเมื่อนั้นก็ยังไม่ถูกรูปถูกนามนี่เราพูดเลยมาว่าเมื่อบุคคลจับรูปจับนามได้ก็ยังไม่ชื่อว่าดายานที่หนึ่ง ยานที่หนึ่งไปได้เมื่อจับรูปจับนามได้ว่าอย่างไรคือในขณะที่เรากํานดกําลังกําหนดเวทนาเนี่ยเราก็กําหนดนี่ว่าเวทนานี่สัญญาหรือนี่พองนี่ยุบนี่ความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นี่จิตอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไล่จับเรื่อยไปแต่ยังไม่เป็นนามรูปหริเขทะ ย, ยานทั้งที่เราจับ ถูกรูปถูกนามแล้วเพราะว่าเรายังแยกสภาวะของรูปของนามออกจากกันไม่ได้ไม่ชัดคือคนที่เขาแยกรูปแยกนามได้นั้นเขาไม่เกิดความรู้สึกปะปนกันว่าเวทนาที่เรารู้สึกเนี่ยอย่างเวลาเรารู้สึกเจ็บนิ้ว เราแยกไม่ออกว่านิ้วกับเวทนามันก็ละอันกันไอ้ที่เราพูดอย่างโน้อย่างนี้เหมือนแยกรูปแยกนามออกนั่นเราพูดในเชิงทฤษฎีแต่เวลาเจ็บจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเวทนามันอยู่ในนิ้วนิ้วมันอยู่ในเวทนามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความรู้สึกของเราแต่เมื่อคนกำหนดไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะแยกรู้ว่าเวทนาอันหนึ่ง แล้วก็รูปอันหนึ่งสองอย่างนี้เป็นคนละอันกันเนื่องจากว่ามันคือไอ้ตรงนี้นะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอันเดียวกันเนี่ยเราไม่ยอมให้มันมีเงื่อนไขในข้อที่ว่าเวลาที่เราเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะต้อง เอาจยกตัวอย่างอย่างนี้เลยแล้วกันว่ามีใครเขาเอาของแข็งมากระทบนิ้วเราเรารู้สึกเจ็บและเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อนิ้วกระทบของแข็งต้องเจ็บเสมอต้องเจ็บเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้ใช่มฮะเรารู้สึกอย่างนี้แต่เมื่อคนเห็นรูปว่าเป็นอันหนึ่งนามเป็นอันหนึ่งด้วยประจักษ์สิทธิแล้วก็จะเกิดความรู้สึก ในส่วนของภูมิต้านทานว่าเจ็บครอบงําตัวไม่ได้ครอบงําใจไม่ได้อนิ้วเราไปถูกไฟหรือถูกของแข็งไม่เจ็บก็ได้นะหรือบางทีนิ้วไม่ได้ไปถูกของแข็งไม่ได้ไปถูกอะไรเจ็บก็ได้อย่างนี้นะหรือนิ้วไปถูกอของร้อนของแข็งเป็นสุกก็ได้ด้วยเหตุผลอื่นๆนะ ด้วยเหตุผลอื่นๆเนี่ยผู้ปฏิบัติอธิบายได้ว่าด้วยเหตุผลอะไรจึงมีความเป็นไปลักษณะลักลั่นอย่างน้อนอย่างนี้ได้ไม่เป็นไปตามความเงื่อนไขอย่างที่เราคุ้นเคยอย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นชัดเจนว่าไอ้นามเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสะเหตุปัจจัยเอกเทศของมันรูปเป็นไปตามกระแสะเหตุปัจจัยเอกเทศของมันและที่มันเหมือนมารวมกันได้เนี่ยเป็นเพราะอำนาจ พิธีของเราที่เราไม่สามารถจะแยกรูปแยกนาม ใ, ให้ขาดจากการได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเวลามีความสุขก็ไม่ติดเนี่ยมันไม่ย่หยีเลยว่าสุขไม่ย่ำยีใจกับบุคคลนั้นเห็นความสุขนั้นแล้วเมื่อเกิดความทุกข์ความทุกข์นั้นก็ไม่ย่ำยีจิตมีความรู้สึกเหนือความทุกข์นั้น เห็นความทุกข์เป็นอื่นเหมือนเราไปเห็นคนที่เขาถูกรถชนหรือประสบเพศเพศภัยได้รับความทุกข์ปานตายด้วยประการใดๆเราก็มองดูอย่างชนิดที่ความสุขทุกนั้นไม่ไม่ทําให้เราต้องเป็นทุกข์อย่างที่เขาเป็นนี่ เ, เรียกว่าแยกรูปแยกนามและเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็เกิดความรู้สึกว่ามันไม่มีตัวตนเห็นชัดเจนว่าตัวตนไม่มี ท่านนามกระรูปเรายังรู้สึกว่ามันปนกันอยู่ตราบใดเนี่ยจะเป็นที่สิงอาศัยของความรู้สึกว่าเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนอขอให้นึกถึงคาว่าแยกคณะสัญญาในพระพุทธศาสนาไว้เป็นเครื่องช่วยขวาเข้าใจเราเรียนในภาคทฤษฎีเนี่ยเ ร, รู้ว่าการแยกคณะสัญญาผมคนเล็บฟันหนืเนื้อเนี่ยเป็นการสลายความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขานะในทางทฤษฎีนะ แต่เอาเข้อจริงเนี่ยไอท้ทฤษฎีมันไม่ไม่ช่วยทําให้เราเห็นจริงเห็นจังนะเรายังรู้สึกว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวเป็นตนตในการรู้สึกแต่นี้คนที่เขาทําวิปัสนาเนี่ยเวลาเขาแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เนี่ยนะะความหมายมันไม่ใช่แค่แยกว่านามกับรูปเป็นคนละอันกันเท่านั้นยังแยกได้ว่ารูปมีหลายรูป ถึงมันค่อยๆแยกมาตั้งแต่เรากําหนดว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่อะไรมาแล้วนะมันมีหลายรูปไอการที่เราเห็นรูปว่า ม, มันมีหลายรูปเนี่ยมันเป็นเครื่องความรู้อย่างแยกแยะอย่างเนี้อ่ะมันเป็นเครื่องช่วยทําให้เกิดภาพตัดระหว่างรูปกันในส่วนที่เรากําหนดนามว่านามก็มีหลายนามเราค่อยๆเริ่มกําหนดนามให้ลูกมีหลายนามรูปไม่มีหลายรูปเี้นะถึงในชั้นนั้นเรายังจะแยกเด็ดขาดจากกันไม่ได้ แต่พอทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าคนละส่วนกันก็เป็นอันว่านามและรูปคนละส่วนกันของผู้ที่ได้นามรูปปริเฉทยานนั้นไม่ได้เข้าใจแคบๆ แ, แต่เพียงว่าเวทนาเป็นนามคนละส่วนกับปัตวีรูปเท่านั้นอย่างอื่นเป็นอันเดียวกันไม่ได้หมายความอย่างนั้น หมายความว่ารูกมีเยอะนามก็มีเยอะไอ้ลูกก็ลูกมันก็คนละลูกกันอยู่แล้วยอมรับอยู่แล้วไม่ยากอยู่แล้วแล้วก็นามก็มีหลายนามแล้วก็นามทั้งหลายเหล่านั้นลูกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนละส่วนกันจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ความปนกันระหว่างความรู้สึกกับลูปนามเป็นอันเดียวกันเนี่ยเป็นที่สิงสถิตของอัตตานุทิฏฐิอธิบายอย่างนี้นะไม่ไม่อาจจะยกตัวอย่างอะไรแต่รายได้เรื่อง คอนกรังพิสดารหน่อยเราก็าไปดูอีกอย่างยานที่สองที่ชื่อว่าปัจจยะปริกหียานแปลว่ากำหนดรูปปัจใจอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกหนดรูปปัจใจในวิปัสนาญาณ น, นั้นไม่ใช่เชิงทฤษฎีแล้วก็กำหนดรูปปัจจัยตรงนี้หมายถึงปัจจัยของรูปนามทุกอย่างที่ตัวเองแยกแยะได้แล้วว่าเป็นอย่างไรอย่างไร ผมเคยตั้งปัญหาถามไว้นานแล้วผมจำได้ในที่นี้แหละว่าจะผมคงยังไม่ได้ตอบนะเข้าใจผมจะผลัดมาตอบาเมื่อพูดเราจะตอบให้ฟังนี่จะตอบไม่ดูนะว่าธรรมดาคนกำหนดนามรูปบริเฉทญาณเนี่ยกำหนดลักษณะเฉพาะตัวสี่อย่างของนามของรูปได้ ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้วิปัสสนายางก็บอได้แล้วนะทีนี้พอมาถึงญาณที่สองเนี่ยปรากฏว่าจุดเน้นถ้าอาจารย์นิสาจะกนาเขียนลักษณะสี่แบบสั้นๆให้ดูสักนิดนะเพื่อให้เห็นความอัศจรรย์ของไอ้จุดเน้นของญาณและอันเนี้ยมันนมั น, ม, นมันไปเกี่ยวกับปริญญานะจุดเน้นของปริญญาที่ มันกวาดแกว่งเน้นส่วนนั้นส่วนนี้ไปตามลาดับของการเข้าถึงลักษณะทึงหมายถึงลักษณะเฉพาะเช่นเวทนารู้สึกสวยอารมณ์ดินแข็งอย่างนี้เป็นต้นเป็นของไม่ยากในเบื้องต้นที่เราสามารถจะจับได้แล้วก็มันมีหน้าที่อย่างไรทำกิจคืออย่างเช่นไฟเนี่ยทาให้เกิดการเผาเผาผลาญอย่างเช่นเวลาที่บางครั้งเราร้อนเนี่ยมันไฟมันร้อนแล้วมันทาให้เราเกิด มันทำงานอะไรคือเผาปลานทำให้เรา่อนกระสับกระสายหรือบางทีก็เย็นถ้าเป็นไฟอีกนิดหนึ่งแนละ้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปต่างๆได้แล้วก็ผลผลปรากฏคือเมื่อมันทำกิจอย่างนั้นแล้วผลเป็นอย่างไรแล้วเหตุใกล้เหตุใกล้ไอ้ตรงนี้หละครับที่ผมกำลังจะบอกว่ายานที่สองเนี่ย ยานที่หนึ่งเนี่ยเอาลักษณะเป็นตัวเน้นอันอื่นเป็นตัวรองลงมานะฮะยานที่หนึ่งนะพอมาถึงยานที่สองจุดเน้นมาอยู่ข้างล่างเหตุใกล้ซึ่งยานที่หนึ่งก็รู้ถ้าถามว่าการรู้เหตุให้เกิดนามเกิดรูประหว่างผู้กำหนดรู้ได้ในยานที่หนึ่งกับยานที่สองต่างกันอย่างไร นี่คือคำถามที่ผมเคยถามทิ้งไว้นานแล้วคำตอบยานที่หนึ่งเนี่ยรู้เหตุของรูปของนามในลักษณะใกล้ยานที่สองนั้นรู้เหตุปัจจัยของรูปของนามในลักษณะไกลๆข้ามพบข้ามชาติก็ได้ ไม่เฉพาะใกล้ใไอ้ใกล้ในี่ถือเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติแต่ไอ้ยานไกลๆเหตุเกิดไกลๆเนี่ยผู้ได้ยานที่สองจะรู้รู้ในที่นี้ไม่ได้รู้อย่างตาทิพย์รู้ไม่ได้รู้อย่างบุพเพนิวาสานุสติรู้ไม่ได้รู้อย่างอนาคตาตังสยานรู้อนาคตาตังสยาพวกอวิทยาเนี่ยมันรู้เป็นภาพ แล้วก็มันรู้ในส่วนหยาบนะนี่เป็นข้อแปลกระหว่างวิปัสนารู้กับอภิญญารู้ฝากฝากให้เข้าใจไว้นิดหนึ่งคือถ้าเป็นอภิญญารู้เนี่ยมันรู้อย่างหยาบรู้แล้วก็ละลายมิจฉาทิฏฐิไม่หมดเพราะฉะนั้นคนระลึกชาติได้ถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะระลึกชาติได้และยังเห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมยังมีความรู้สึกว่ายังมีอำนาจบังคับบางอย่างบังคับความเป็นไปของชีวิตได้ อย่างมิชาทิธิในสมัยพุทธเจ้าทั้งที่ระลึกชาติได้แล้วก็อนาคตก็เหมือนกันเพราะใ น, นสิ่งที่เขารู้เนี่ยจะรู้หยาบแต่ยานที่สองเนี่ยจะรู้ทั้งที่ไม่เห็นเป็นภาพแต่อํานาจของพลังสังหรณ์ของยานจะทําให้เข้าใจกระบวนการของเหตุทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็อดีตไม่ว่ากี่พบกี่ชาติรู้โดยในหมด วาสาัตถอย่างเช่นวาสัสถ์ทหลายเป็นไปตามกรรมนี่นะไอ้อย่างนี้ยังหยาบอย่างวิปัสสนาญาณสองเนี่ยขณะที่เรากําหนดอารมณ์นี้อยู่มีปรากฏการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ไม่ดีก็กําหนดรู้ได้ว่าเกิดจากกรรมอะไรทั้งที่ไม่เห็นเป็นภาพ่ะวิปัสสนาไม่เห็นเป็นภาพ แต่มันเหมือนเป็นแหล่งสังหรณ์พิเศษนะผมพูดเป็นภาษาที่เอาไปฟังอย่างนี้แล้วมันก็จริงด้วยะไม่มีไม่จริงเมื่อตัวเองได้กุศลวิบากอัะไรอันหนึ่งหรือปรากฏการณ์อันน่าชอบใจอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ได้ว่านี่เป็นเกิดจากกุศลวิบากอะไรวูบขึ้นมาเป็นกรณีกรณีไป มันไม่ใช่แค่เป็นเหตุการณ์คร่าวๆแม้แต่ปรากฏการของความคิดเป็นช่วงๆเป็นขณะขณะก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วก็เลยรู้ไปถึงคนอื่นได้ด้วยตกอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนี่คื อ, อยานที่สองที่เรียกว่าปัจจ ย, ยักษ์กัิกะญาเพราะฉะนั้นลักษณะสี่ประการที่เราตั้งไว้เป็นหลักเที่ยวกาหนดรู้ใน การทำวิปัสนาตั้งแต่ก่อนได้ยานมาจนถึงยานที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นตัวเบื้องต้นที่จะทำให้ขยายสืบลึกเข้าไปสู่ปัญญาที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่านั้นอันนี้มาถึงสัมมสนญาาถึงสัมมสนญญ า, า น, นั้นเริ่มจากเข้ากระแสพระไตรลักคือการเห็นพระไตรลักษเนี่ย เราศึกษาเรื่องนี้ดีพอแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าในปรากฏการทางประวัติของพระเถรานุเถระสมัยพุทธกาลก็ดีแล้วก็บทอธิบายของวิปัสสนาญาณก็ดีคนเห็นพระไตรลักษณ์นะั้ไม่ใช่วบห้าไปเห็นพระไตรลักษณ์แท้นะมันต้องค่อยๆเห็นจากพระไตรลักษณ์หยับหยาบก่อน อย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินในประวัติของพระสมัยพระพุทธเจ้าว่าท่านกาหนดสิ่งอื่นภายนอกตัวกาหนดความแก่ของตัวเองวันหักของตัวเองนี่นะแล้วก็ดึงเข้ามาหาพระไตรลักษณ์ในทางสภาวะขณะต่อขณะอันนั้นเป็นเรื่องของการพูดถึงภาพบุคคลประสบการณ์ของตัวบุคคลอย่างหยา บ, ยบ แล้วถ้าพอเรามาคิดหุนหันเอาเราก็บอกว่าเอ๊นั่นพระไตรลักษณ์อย่างนั้นเป็นวิปัสนาเลยก็ตอบว่ามันไม่ใช่วิปัสนาแท้แต่เป็นข้ามูลที่จะชักดึงบุคคล น, นั้นลงไปสู่กระแสวิปัสนาแท้และคนที่จะเห็นวิปัสนาแท้ต้องมาจากพวกนี้นะทีนี้ไอ้หัวเลี้ยวที่เรากำลังพูดถึงอย่าง น, นี้มันคือหัวเลี้ยวหัวต่อของคนจะเห็นอนิจจังของ รูปนามแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ใช่พลดพลาดเห็นเลยจะมีลักษณะการเห็นเป็นบุพนิมิตคือยานที่สามที่ท่านใช้คำว่าเห็นเป็นแบบกาลาปะสัมมสนะหมายถึงเห็นอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนกว้างๆแล้วก็ เห็นอย่างโดยอาศัยการอนุมานเห็นแต่อนุมานตรงนี้อย่าเอาไปปนกับอนุมานในทางความคิดล้วนเพราะไอ้อนุมานหรือความตรึกคิดคาดคิดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของวิปัสสนาแล้วท่านไม่ถือว่าเป็นจินตายานนะถือว่าเป็นภาวนาญาณที่มีอาการเหมือนคิดแต่ข้อมูลที่เอามาคิดมาอนุมานเนี่ย มันไม่ใช่ตาเห็นแล้วาาอนุมานหูได้ยินแล้วามาอนุมานอ่านหนังสือแล้วอนุมานแต่อนุมานจากไอ้ปรากฏการณ์ของธรรมของปัจจุบันแท้ๆชั้นต้นแล้วก็อนุมานมีความคิดที่เป็นตัวกลางอนุมานเชื่อมเข้าไปถึงสภาวะชั้นสูงที่กำลังยานตัวเองไม่สามารถที่จะลงไปแทงตลอดได้ในทันทีก็ค่อยๆขยับดัะนั้นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาที่เห็นในยานที่สามเนี่ยจึงเป็นการเห็นไม่ใช่ขณะต่อขณะไม่ใช่เป็นปัจจุบันแท้แต่แต่มีการคาดคิดแล้วก็การมองอย่างเป็นภาพรวมเป็นเบื้องต้นก่อนจึงไปถึงพัฒนารักแท้ในยานต่อไป คื อ, อยานที่สี่ที่เรียกว่าอุทธยาพย า, ยานอุทธ ย, พยาพยานคือเห็นความเกิดดับของรูปของนามต่อหน้าตอตาอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นวิปัสนาญาณแท้นะเนี่ยฮอท่านดูล่วงหน้าไปสักนิดหนึ่งที่มี อ, อวงเล็บไขป่ปลาเป็นปลาปลานะฮะตั้งแต่อุทธยับ พ ย, ยาญยาณที่สี่ไปจนถึงอนุโลมยานแล้วก็มีข้อความว่านิ ป, ปริยายเขามานิ ป, ปริยายเนี่ยแปลว่าโดยตรงหมายถึงวิปัสสนาโดยตรงวิปัสสนาที่เราพูดกันเนี่ยมันมีวิปัสสนาโดยตรงกับวิปัสสนาโดยอ้อมแล้ววิปัสสนาโดยอ้อมเนี่ยแปลกครับ ว, วิปัสสนาที่ยังไม่เห็นนามรูปเป็นขนาดแท้แท้เรียกว่าโดยอ้อมเราก็ไม่ว่า แต่วิปัสนาชั้นสูงแทนที่จะเป็นตรงมากขึ้นไม่ได้เป็นวิปัสนาโดยอ้อมเพราะอะไรเพราะทิ้งรูปทิ้งนามซะแล้วไม่ได้มีอณิจังทุกขังอนัสาเป็นอารมณ์ซะแล้วคือหมายความว่าคนบรรลุโคตรปูญานเนี่ยทิ้งรูปทิ้งนามทิ้งอณิจังไปหน่วงอนิพานเป็นอารมณ์ คนบรรลุมักบรรลุผลก็ไม่มีรูปมีนามเป็นอารมณ์อันนี้จังไม่อยู่ในสมองแล้วไม่อยู่ในความคิดกำเนึงแล้วนะะไปเอานิพานเป็นอารมณ์เพราะนั้นวิปัสสนาโดยตรงเนี่ยเราจึงได้ยินอย่างเช่นในอวิชาแปดประการพอพูดถึงวิปัสสนาเนี่ยต้องหมายถึงเห็นรูปเป็นนามเป็นอานิจังตุกตังหน้าตาจึงเป็นวิปัสสนาอันนั้นท่านหมายโดยตรงแต่โดยอ้อมก็ เอาเบื้องต้นของวิปัสนาแท้แล้วก็ผู้สําเร็จวิปัสนาแล้วเลยไปก็อนุโลมเรียกเป็นวิปัสนาแต่เป็นวิปัสนาโดยออมไม่ใช่โดยแท้ก็สูงไปก็ไม่แท้ต่ําไปก็ไม่แท้จึงใช้คําว่านิ ป, ปริยายแปลว่าโดยตรงนะ เพราะยานที่สี่ถึงสี่สิบสองนั้นมีอานิจังทุกขังอนัตตาของนามรูปเป็นอารมณ์นอกนั้นเบื้องต่าไม่ใช่อนิจังทุกขังอนัตตาโดยแท้จริงสูงเกินไปก็ทิ้งอนิจังทุกขังอนัตตาเสียแล้วจึงสงเคราะห์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแต่เพียงโดยออก เพราะนั้นอุทยพย า, ยานเนี่ยจึงเป็นจุดแรกของการเข้าสู่วิปัสนาแท้เห็นอานิจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดดับของรูปของนามเฉพาะหน้าเป็นขณะขณะแต่ไม่ไม่ได้แปลว่าสามารถจะเห็นได้ทุกขณะจิตทั้งวี่ทั้งวันนะเพราะว่ายานเนี่ยมันก็บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามใครจะเห็นได้ ทีแค่ไหนได้ห่างแค่ไหนเมื่อมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าสําเร็จยานที่สี่แล้วไม่หลงในนามในรูปเหมือนอย่างที่เคยหลงมาก่อนหน้านี้แล้วยานที่สี่ท่านแบ่งไว้เป็นชั้นต้นเรียกว่าดรุณะคือยานสี่ขั้นอ่อนแล้วก็พละวะคือขั้นกล้าขั้นอ่อนขั้นกล้าเนี่ย เอาอะไรมาเป็นเครื่องกําหนดก็ตอบว่าเอาการละกิเลสเป็นเครื่องกําหนดผู้ใดที่ทํามาถึงยานสีในจุดที่กิเลสยังแทรกได้คนนั้นชื่อว่ามีอินสีมียานที่สียังอ่อนอยู่ผู้ใดที่ปฏิบัติมาจนถึงจุดที่ กิเลสในระดับนั้นนะต้องใช้คำว่าระดับนะ้นเพราะกิเลสมีหลายระดับแทรกไม่ได้กิเลสระดับนี้แทรกไม่ได้ผู้นั้นชื่อว่าบรรลุยานที่สี่ขั้นแก่กลางนี่ถ้าถามว่าทําไมจึงยานที่สี่มีดรุณะคือขมกิเลสได้ไม่เด็ดขาด หรือข่มกิเลสได้น้อยแล้วก็พลวะข่มกิเลสได้ค่อนข้างจะเฉียบขาดและมีกำลังมากกว่าก็เกี่ยวด้วยตัวยานนั่นเองกำลังของยานที่แทงตลอดในความเกิดดับในชั้นต้นกับชั้นปลายไม่เหมือนกันเพราะว่าการละกิเลส กับความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นของเป็นไปคู่กันคนที่รู้แล้วจะต้องมีการละไปตามส่วนที่รู้นะฮะแล้วคาว่าส่วนที่รู้ที่ว่าเนี่ยหมายถึงกิเลสที่ตัวเองคือคนนั้นสั่งสมมาเท่าใดปัญญาของบุคคล น, นั้นได้รู้เห็นนามรูปโดยความเป็นจริงเท่าใดก็ละกิเลสในส่วนที่ตัวเองสั่งสมมาเท่านั้น เอาไปเทียบคนอื่นไม่ได้เพราะคนอื่นนั้นอาจจะสั่งสมกิเลสบางอย่างมาน้อยกว่าการอย่างรู้เห็นเท่านั้นเท่านี้คือรู้เห็นในระดับเท่ากันแต่มีผลทําให้คนสองคนถึงพร้อมด้วยคุณธรรมกิเลสหยาบหนาแตกต่างกันข้อนี้เป็นไปได้เพราะว่าไม่ใช่ขั้นมะขอนนะขั้นมะขอนนี่ เสมอกันในการละกิเลส ช, ชั้นอนุัยไปดูพังขยานเห็นแต่ความดับคือยานสี่เห็นเกิดด้วยแล้วก็เห็นดับด้วยแต่เนื่องจากว่าการเห็นดับนั้นมีผลต่อการคืนคลายกิเลสมากกว่าผู้ปฏิบัติก็ไปกำหนดที่ความดับ พยะญาณเห็นเป็นภัยอาทีนวญาณเห็นเป็นโทษนิพพิทายานเบื่อหน่ายมุญจิตายานคิดหาทางออกแล้วก็สิบยานสิบปฏิสังขายานวิธีออกวิธีออกก็คือย้อนกลับมากำหนดนามและรูปใหม่ไม่ใช่ออกด้วยความพยายามอย่างอื่น คือกำหนดน้ำและรูปนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปนี่คือทางออกแล้วก็สังขารูปเปะขายานการวางเฉยต่อน้ำและลูกนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งอนุโลมยานการคล้อยไหลไปสู่มรรคผลนิพพานโคจรภูยานเป็นหัวเรยกว่าต่อที่โอนโคตรจากปุตชนไปสู่ความเป็นอริยะมัรคยาน ได้แก่อรียมักแปดประชุมพร้อมกันตัดกิเลสโดยเด็ดข า, ขาดขณะนี้ผลละยานคือยานที่เป็นผลสำเร็จที่ปรากฏทางความรู้สึกแก่ผู้บรรลุมรรคที่รู้เห็นได้ด้วยตัวเองแล้วก็ปัจเจเวกขณะยานการย้อนกลับมาพิจารณาปัจเจเวกยานสิบหกกับยานที่สิบเนี่ยแปลชื่อน้อก็ใกล้ๆ ก, กันนะ คือเป็นยานย้อนกลับแ้วมันคนละแบบกันนะถ้าเป็นปฏิสังขยาณเนี่ยการย้อนกลับพิจารณาเพื่อหาทางหนีแต่ปัจเจเวกนั้นหนีมาพ้นแล้วแล้วก็ดูย้อนกลับไปว่าใกลๆว่าเราหนีมายังไงอย่างไ ร, งไรควรจะไปต่ออีกหรือไม่ถ้ากว่าเป็นพระหลานแล้วก็ไม่ต้องแลกถึงฝั่งแน่นอนแล้ว อันนี้คงก็ว่าอย่างเป็นส่วนคร่าวๆ เ, าเรามาดูการจําแนกยานทิหกเนี่ยในยานสิบหกที่ทจําแนกเป็นส่วนต่างๆนี่นะ ถ้าจำแนกโดยสิกขาสามดูตรงนี้ครับที่เรียกว่าไตรสิกขาหรือสิกขาสามเราก็ได้ยินว่าสิกขาสามประกอบด้วยอธิศีตสิกขาอธิจิตตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาอคําคว่าสิกขาในพระพุทธศาสนาไม่ได้มีความหมายว่าเป็นปริยัตปริยัตท่านไม่ได้เรียกด้วยคำนี้เรียกด้วยคําอื่นปริยัตติอย่างที่เรียกหรือว่า สุตหรือธรรมะโวนาอันนั้นหมายถึงการเรียนอย่างภาคปริยัติแต่สิกขาตัวนี้หมายถึงการปฏิบัติภาวนาใหม่เรียกว่าสิกขาที่ผมใช้คาว่าภาวนาใหม่นะไม่ได้เปลือยเดี๋ยวท่านจะนึกเอาก็แล้วศีลเป็นภาวนาใหม่เหรอตอบตอบว่าศีลเนี่ย เป็นทั้งเบื้องต้นของภาวนาไหมคืออยู่ในกระบวนการแล้วก็เป็นตัวองค์ของภาวนาไหมตลอดไปด้วยจนบรรลุมรรคผลนั่นในมรรคผลนึงมีอ่างมรรคที่เป็นศีลอยู่ด้วยจะได้อธิบายต่อไปอย่างนี้นะอะที่เรียกว่าอธาิศีลสิกขาอธิจิตติกาที่ปัญญาสิกขาเนี่ยทําไมถึงเรียกอทิมีความหมายสองนะ แปลตามศัพท์ว่าศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งก็ได้หรือศีลชั้นสูงจิตชั้นสูงปัญญาชั้นสูงจิตเป็นชื่อของสมาธิที่ท่านเรียกใยคํานี้เที่ใช้คําว่ายิ่งหรือชั้นสูงนั้นมีความหมายสองอย่างที่หนึ่งกล่าวด้วยอํานาจของความเป็นบาตร ถ้าพูดอย่างภาษาของเราก็เรียกว่าจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลผู้ใดรักษาศีลเพื่อไปสวรรค์เพื่อนุอนเพรนีเพื่อนิสงส์ข้ออื่นเท่านั้นนะตรงนีค่เท่านั้นศีลของผู้นั้นไม่ใช่อธิศีลผู้ใดที่รักษาศีลเพื่อเป็นเบื้องต้นหรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่การทำวิปัสสนาต้องเน้นคำว่าวิปัสสนาศีลของผู้นั้นเป็นอธิศีล ดังน้นีอย่างนี้เรียกว่าศีลเป็นบาทศีลเป็นบาทและศีลเป็นบาทก็คือเป็นจุดมุ่งหมายของการทำวิปัสสนาเวลาที่เราเข้าฌานเป็นบาทเนี่ยก็เข้าศีลเป็นบาทเนี่ยบางอย่างก็ถามว่าเป็นบาศยังไงเนี่ยนะอะเราพูดัะหน่อยก็ได้ถ้าคนรักษาศีลเป็นบาทไม่ต้องกําหนดศีลเป็นอารมณ์คือรักษาศีลแล้วก็ถอยออกจากศีลแล้วก็ พิจรณาศีนั้นโดยความเป็นอนิจังถักมันไม่ใช่งั้นนะที่ว่าเป็นบาทอถ้าเป็นฌานเนี่ยเข้าฌานเป็นบาทถอยออกฌ า, านและกําหนดฌานเป็นลมอย่างนั้นเรียกว่าฌานเป็นบาทอันนี้นคือส่วนกวส่วนต่างไอ้ส่วนเหมือนก็คือว่าคนที่รักษาศีนรักษาแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์ของสติที่ผม พูดอย่างนี้นะหมายความว่าศีลใดๆที่เรารักษาเนี่ยถ้าเราเอามาเป็นอารมณ์ติคนที่รักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ทํำวิปัสสนากันทองั่งทบทวนนับศีลสองร้อยยี่บเจ็ดของตัวเพื่อกําหนดว่าเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาหมายความงานนั้นไม่ต้องทําอย่างนั้นซึ่งผิดกับคนที่เข้าฌานเพราะฉะนั้นศีลที่ผู้รักษาแล้วเนี่ยก็รักษาแล้วก็ไม่ต้องนึก เพียงแต่ไอ้คำว่าไม่ต้องนึกนี่มันแปลไม่รักษาไม่ระวังนะ mm hmm. คือรักษาแล้วก็ประคองไว้แต่ไม่ต้องยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งผิดกับคนที่เข้าฌานเป็นบาท mm hmm. ก็เป็นอันว่าศีลใครที่รักษาด้วยจุดมุ่งหมายนี้เป็นอธิศีลสมาธิใครรักใครเข้าใครได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่วิปัสสนาเป็น อธิจิตแล้วก็ปัญญาปัญญาเนี่ยมุ่งเอาตัวที่เป็นวิปัสนาเลยนะทั้งแท้ทั้งเทียมเลยทั้งปริยายทั้งนิปริยายวิปัสนาที่บุคคลทําเนี่ยว่าที่จริงอนุโลมก่อนได้ยานเข้าไปด้วยเป็นอธิปัญญาเป็นปัญญาชั้นสูงนะนี่อันหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าอทิสีนอธิจิตดูดูตรงนี้ครับคือเวลาเรารักษาสีลเราทําสีลให้มีทำสมาธิให้มีทำปัญญาให้มีมันค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะฮะอทิแรกก็สีลเป็นใหญ่จิตอาจจะยังไม่ได้หรือยังได้น้อยปัญญาอาจจะยังไม่ได้แต่เมื่อทําเนี่ยสีก็เข้มขึ้นจิตได้ ทั้งจิตและศีลก็เข้มขึ้นปัญญาได้มันก็เพิ่มส่วนของความเข้มขึ้นไปตามลำดับไม่ได้แปลว่าเราเลยไปถึงอธิจิตแล้วทิ้งศีลเสียทิ้งไม่ได้และมันตรงกันข้ามกับคำว่า ท, มมทิ้งเลยนะมคือสมาธิเป็นตัวห่อผิวศีลให้เข้มแข็งสมบูรณ์ขึ้นคนได้สมาธิ ได้ฌานแล้วถึงศีลรักษาง่ายแม้ไม่นึกไม่เอาใจใส่อะไรนักก็มีศีลดีกว่าคนที่ไม่ได้ฌานถึงจะเอาใจใส่ก็รักษาศีลได้ไม่ดีเหมเือนกระท่านเหล่านั้นก็หิวหอบกันขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้หอบกันไปถึงไหนจนถึงจุดสมบูรณ์จุดสมบูรณ์คือพอบรรลุมรรคเนี่ยศีล และปัญญาในนั้นมีกําลังเท่ากันในการประหารกิเลสแปลว่าไตรสิกขาในมัรคยานผลยานนั้นมีครบใช่ไหมฮะมีครบอยู่ในนั้นและในนี้แหละเรียกว่าเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาโดยการโดยภูมิโดยการเข้าถึง โดยความสำเร็จผมทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอธิทั้งสามอย่างเนี่ยมีอธิศีนเป็นต้นเรารักษาศีลด้วยจุดมุ่งหมายจะทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นอธิอธิศีนแล้วแต่ได้แต่อธิศีลทีเดียวก่อนตัวเดียวก่อนใช่ไหมไม่ยากเท่าไหร่พอมาทำสมาธิได้ก็ได้อธิจิตแต่ยังไม่ได้วิปัสสนาอธิ ยังไม่ลงมือทำวิปัสนาอธิปัญญายังไม่ได้นะเมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีจุดมุ่งหมายทำสิกขาสามแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพื่อไปไหนและเมื่อไปถึงปั๊บเนี่ยศีลนั้นเป็นอธิศีลเสมอด้วยอธิจิตเสมอด้วยอธิปัญญาโดยการบรรลุโดยความสำเร็จ ตรงนี้จึงแปลว่าอาธิศีนศีนชั้นสูงหรือศีลอย่างยิ่งหมายเอาจุดมุ่งหมายไปทางสูงอันหนึ่งและหมายเอาพูดถึงความสูงแล้วอย่างหนึ่งถามว่าอาธิศีลเป็นต้นของพระอรหันต์ ถึงทางสูงแล้วใช่หรือไม่เอาก็ตอบว่าถึงทางสูงแล้วหรือใครก็ได้ที่บรรลุมักแล้วผลแล้วถึงทางสูงแล้วทั้งนั้นแต่อย่างของเราเนี่ยเราอาจจะได้แค่ขั้นมุ่งหมายแต่ว่าถึงจะเป็นขั้นมุ่งหมายก็ไม่ใช่ของทําง่ายๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ของทำง่าย คนจะรักษาศีลอย่างนี้ได้ต้องมีความนิยมในวิปัสสนาเข้าใจวิปัสสนาจึงจะรักษาศีลแล้วเป็นอย่างนี้ได้ยกระดับศีลปกติให้เป็นอาธิศีลได้นั้นในในแผนภูมิเนี่ยถึงเขียนอาธิศีลอาธิจิตอาธิปัญญาเป็นสองระดับระดับที่ กล่าวถึงในขั้นโลกตต ะ, ะเนี่ยขั้นสมบูรณ์ขั้นบรรลุขั้นสำเร็จขั้นเสมอภาคคืออธิจิตอธิศีนอธิปัญญาที่อบรมมาจนบรรลุมรคผลแล้วก็มาอยู่ในมรคในผลนั้นแต่ในขั้นของการฝึกหัดเป็นไปโดยลำดับเราก็จะได้อาธิศีนก่อนแล้วก็ได้แต่ศีอนอย่างเดียว อย่างอื่นยังไม่ได้ก่อนนะแล้วก็มาได้อธิจิตปัญญายังไม่ได้ก่อนแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นอธิปัญญาเนี่ยไอ้ศีลจิตมัน ก, ก็ตามขึ้นมาตักก็เป็นอาธิได้อธิปัญญาโดยก็เป็นั้นว่าครบทีนี้ผมก็พูดนิดอีกนิดหนึ่งว่าอาธิจิตเนี่ยคือสมาธิขั้นไหนแน่ถ้าเรา ดูหลักฐานตามวิสุทธิมรรคที่เป็นที่เชื่อถือกันของวิปัสสนาเห็นใจพูดได้วัตุสำนักท่านจะพูดอาธิจิตเป็นอุปจาระสมาธิกับอปนาสมาธินะฮะเราก็สงสัยว่าแล้วคนที่ไม่ได้เล่นทางสมถะเมื่อไม่ได้เล่นทางสมถะเนี่ยสมาธิก็อย่างดีก็แค่เป็นคณิกะสมาธิชั้นดีหน่อย แต่ไม่เป็นอุปจาระเพราะอุปจาระนี่ต้องใกล้ชิดกับการบรรลุฌานถ้าอย่างนั้นแล้ววิปัสนาของผู้นั้นก็มีไม่ได้หรือสมาธิของผู้นั้นก็ไม่เป็นจิตตวิสุทธิหรือตอบว่าเป็นเป็นเอาที่ไหนมาตอบอันนี้เขาไม่อยากเพราะว่าเราก็รู้อ่ะก็ในวิสุทธิมรรคแล้วก็พูด ในพระไตรปิฎกเองก็พูดว่าวิปัสนามีสองสายไงสายสมัติญาณิ ก, กืวิปัสนายาณิคือวิปัสนาล้วนสายสมัติญาณิคือได้ฌานเป็นบาตเอามาเป็นบาตก็ไปทําวิปัสนาคนได้ฌานเนี่ยได้ฌานหรือได้เฉียดฌานหรือได้ฌานแล้วก็ใช้สมาธิอ่อนกว่าฌานเป็นบาตก็ได้ก็ไปทําวิปัสนาอย่างนี้ก็มีแต่ ในวัตถุประสงค์ของวิสุทธิเจตที่กล่าวเนี่ยท่านกล่าวเอาศีลขั้นสมบูรณ์เอาสมาธิขั้นสมบูรณ์มากล่าวแต่ถึงไม่สมบูรณ์ก็อนุโลมด้วยได้คืออย่างนี้ครับอย่างเช่นศีลเนี่ยพอถามว่าศีลคืออะไรวิสุทธิมรรคเองในพระไตรปิฎกเองก็บอกว่าศีลคือปาฏิโมกขังวรศีนเป็นต้นมีข้ออื่นอยู่ในเอกสารนี่ย ทีนี้พอเอาปฏิโมกขังวรศีนมาวางเป็นเบื้องต้นเนี่ยเราก็หงายหลังแล้วทําไมถึงหงายเพราะปฏิโมกขังวรศีนเนี่ยมีกี่ข้อห้าข้อเหรอแปดข้อเหรอสองร้อยยี่สิบเจ็ดเราไม่ได้บวชเนี่ยศีนเราไม่เป็นปฏิโมกเราไม่มีปฏิโมกนะในความหมายเต็มอย่างงั้นเราทำวิปัสนาไม่ได้ใช่หรือไม่ได้ได้แล้วเอาศีนที่ไหนมาใช้ เราก็เอาศีลหย่อนกว่าปาฏิโมกข์แล้วเรารู้ได้ไงว่าคนไม่บวชทำวิปัสสนากรรมฐานได้โอ้เราก็บอกว่าในสมัยพุทธากาลก็บรรลุกรรยเยอะแยะนางวิสาขาอนาตะวินติกะเศรษฐีหมอชีวกท่านเหล่านี้เป็นโสดาบันทั้งนั้นเป็นโสดาบันโดยไม่ทำวิปัสสนาได้ไหมทําวิปัสสนาโดยไม่มีอธิศีลได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าถามว่าอธิศีล น, นั้นไม่ต้องเป็นปาฏิโมกข์ต้งอ่อนศีลได้ไมได้ เพราะนั้นสมาธิเหมือนกันถ้ากล่าวอย่างขั้นสมบูรณ์จริงๆเนี่ยนะเป็นพลังทาสมบูรณ์ในความที่มันควรจะเป็นควรจะทำในทางหลักและคนที่เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการเจริญรอยตามขั้นตอนอย่างเต็มๆก็ททากันเนี่ยเขาต้องทําเล่นกันถึงขั้นฌานและฌานเป็นบาตรแต่ถ้าคนไม่ได้ถึงฌานก็สามารถที่จะทาได้ในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะ และถ้าว่าจริงๆเนี่ยถามว่านางวิสาขาเป็นต้นมีปฏิโมกอาธิจิตของนางเป็นปาติโมกษ์สงวรศีลหรือเปล่าเปล่าอาธิจิตของนางมีไหมมีนางได้ฌานไหมนางวิสาขาได้ฌานไหมความจริงไม่น่าตอบอยา่างไม่ได้ฌานเรารู้ได้ไงไม่ได้ฌาน นางวิสาขาเหาะได้ไม่ได้ปีชามไม่ได้นั่นความสําเร็จในชีวิตเนี่ยสำเร็จโดยบุญญาลิศนางวิสาขานั้นไม่ได้ชานเรารู้ได้ไหมไม่ต้องไปดูอืไกลหรอกเอาแค่ว่าคนได้ชานเนี่ยไม่มีลูกเรื่องเยอะแยะขนาดนั้นหรอกไม่คลองทรัพย์ถิ่นสลิงคานอย่างนั้นไม่แต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนั้นหรอกนะงั้นนางไม่ได้ชานแต่บรรลุวิปัสนาได้ และนางมีอธิจติตติกขาอธิปัญญาสิกขานะเป็นผลได้ในขั้นต่อไปจึงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นศีลและจิตสิกขาสองข้อตนเนี่ยพูดง่ายว่ามีมาตรฐานแตกต่างกันได้แต่พอมาถึงอธิปัญญานี้ท่านไม่ยอมครับ ยงมาบอกว่ายานที่สี่ของนางวิสาขาไม่เห็นความเกิดดับยกให้คนในฐานะที่ไม่ได้จานไม่ได้หรือยานที่แปดของนางวิสาขาเกิดไม่เบื่อนามได้ลูกหรือเบื่อแต่นามไม่เบื่อลูกอะไรเงี้ยนะ่ไม่ได้เพราะถึงอธิปญญาสิกขาแล้วต้องเหมือนกันหมดจึงจะไปนิพพานได้แล้วยิ่งไปบรรลุมรรคบรรลุผลก็ต้องเหมือนกันในฐานะที่ควรจะเหมือนของ มักขยานบระยานเนะี่ยเพราะนั้นไอความต่างเบื้องต้นธรรมะเบื้องต้นแต่หลายความต่างยิ่งมีมากธรรมะเบื้องสูงเท่หลายความเหมือนความต่างมีน้อยมีแต่ความเหมือนใช่ไหมทีนี้ถ้าอั น, นี้มันเป็นหลักนะเราพูดอย่างนี้เราก็จะนึกออกว่าเป็นเรื่องไม่ขัดแย้งจริงๆเราเห็นจริงเห็นจังนะทีนี้ถ้าเกิดคนทาธรรมะ สำคัญว่าเป็นเบื้องสูงแล้วเกิดความแตกต่างมากเนี่ยต่างหมายถึงต่างในส่วนที่ควรจะเหมือนนะผมพูดเป็นคำควกว้างๆ่าต่างในส่วนที่ควรจะเหมือนเพราะไม่ใช่เหมือนกันทุกระเบียดนิ้วต่างในที่ควรจะเหมือนก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องปริญญาเนี่ยแหละนะเรื่องปริญญารู้ตามความเป็นจริงรู้กิจแล้วก็รู้การละกิเลสนี่คือส่วนที่ควรจะเหมือนไม้ควรจะต่างเล้อื่นหรือเป็นเรื่องปริ ย, ย่อย มันต้องเหมือนในส่วนที่ควรจะเหมือนเช่นว่าตามความเป็นจริงของนามรูปเป็นทุกข์อย่างนี้ต้องเหมือนใช่ไหมต้องใช้ก็ว่าต้องเหมือนต่างไม่ได้ยอมให้ต่างไม่ได้เลยแล้วก็คนที่เห็นนามรูปตามความเป็นจริงแล้วละกิเลสได้อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นขั้นขั้นไปต้องเหมือนไม่ยอมให้ต่างโสดาบันต้องละสังโยชน์สามได้เหมือนกัน จะสองหรือสองครึ่งไม่ได้บรรลุแล้วก็ต้องมีสีหน้ามั่นคงเหมือนกันจะมาขอบางข้อเว้นเสียก็ไม่ได้อ่านี่เป็นเรื่องอธิจิตเรื่องอธิจิตคราวนี้มาดูอีกด้านหนึ่งด้านขวาสุดด้านขวาสุดที่สงเคราะห์เป็นคือใน ภูมิปฏิบัติท่านจะไม่พูดแค่สีลัมมยะกุศลมักจะไม่เคยใช่อย่างนั้นจะต่อด้วยคำว่าสีลัมมยะปัญญาภาวนามายะปัญญาเพราะพูดถึงกระบวนการของความรู้ของปริญญาไม่ได้มุ่งแสวงบุญไมยะปัญญาอาธิศีนสงเคราะห์โดยบุญกิยาวัตถุแล้วก็เป็นสีลัมมยะปัญญา อธิจิตกับอธิปัญญาสงเคราะห์โดยบุญญิกยาแล้วก็เป็นภาวนามยยะปัญญาตรงนี้ะท่านเคยสงสัยไหมว่าแล้วทานเอาไปไว้ที่ไหนคนทำวิปัสนาไม่ควรให้ทานหรือทานไม่มีประโยชน์หรือทำวิปัสนาแล้วไม่มีผลต่อความเจริญในไตรสิกขาเลยหรือนี่คำถามและเราก็ตอบได้ ตอบได้อย่างนี้เพราะว่าทานนั้นไม่ถือว่าอยู่ในกระบวนการเฉพาะหน้าของผู้ปฏิบัติวิปัสสเนี่ยเราอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถจะรักษาได้เท่าๆกันข้อจำกัดน้อยจู่ๆไหมใครอย่ามาบอกเลยว่าฉันหาเช้ากินข้ามรักษาศีลไม่ได้นะ ไ, ไอ้อ้างนะั้นมันอ้างโดยเหตุผล ที่ลบล้างได้มันเป็นเหตุผลของกิเลสอ่าหรือใครอย่ามาอ้างเลยว่าฉันรวยฉันทำวิปัสสนาไม่ได้มันไม่ใช่ข้ออ้างเป็นเงื่อนไขท า, างสภาวะแต่เป็นเงื่อนไขของกิเลสที่คนคนนั้นก็ตั้งขึ้นแต่คนอาจจะอ้างได้ว่าฉันทําทานประณีตไม่ได้เพราะ ฉันยากจนอย่างนี้อ้างได้หรือฉันให้ทานไม่ได้ลืมเอากระเป๋าสตางค์มาเลยไม่ได้ให้ทานในโอกาสนั้นตอนนั้นมันก็อย่างนี้อ้างได้แล้วเป็นเรื่องจริงแม้เราจะไม่มีกิเลสที่เหนียวกรหนี่ที่เหนียวเราก็ไม่สามารถที่จะให้ทานในลักษณะของอามิสถานนั้นได้แต่ศีลเนี่ยเราทาได้ทุกเมื่อให้ได้ทุกเมื่อเพราะนั้น ศีลสมาธิและวิปัสสนาจึงถือว่าอยู่ในกระบวนการอันขาดไม่ได้เว้นไม่ได้ที่ผู้จะพึงเจริญในปัญญาชั้นสูงทางพุทธศาสนาต้องปฏิบัติทานไม่ต้องแต่บางทีไอ้ทานเนี่ยทำไปทำมาเลยกลายขวางวิปัสสนาแล้วก็มีถึงมี ข้อบอกไว้ชัดในพุทธพจน์ว่าผู้ที่จเจริญวิปัสนาไม่ได้ดีเนี่ยข้อกำหนดอันหนึ่งที่พระเจ้าแสดงว่าเองยินดีได้การคลุกคลีและถามว่ายินดีได้การคลุกคลีอย่างไรก็คลุกคลีด้วยการให้ก็ดีด้วยการรับก็ดีมันเป็นเรื่องของของทานนะ เออเลายกลายมาเป็นเรื่องขวางเขาเรียกว่าให้ไม่ถูกจังหวะให้ผิดจังหวะขวางวิปัสสนาและแต่ศีลไม่มีคําว่าผิดจังหวะฟังธรรมก็เหมือนกันมีผิดจังหวะมีถูกจังหวะถ้าฟังธรรมผิดจังหวะขวางวิปัสสนาสอนธรรมผิดจังหวะขวางวิปัสสนาเป็นความดีชั้นต้นจึงเป็นตัวขวางส่วนศีลส่วนภาวนาเนี่ยไอจุดขวางมัน มันไม่ถึงกับว่าไม่ควรไม่ควรทำตอนไหนตอนไหนนะมันไม่ไม่ได้ขวางแบบนั้นคือทำไปขวางมันขวางเพราะอย่างอื่นแต่ต้องทำแล้วก็จำกัดข้อกีดขวางที่มันจะพึงเกิดขึ้นในระหว่างนั้นให้ได้แต่ถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงกับทานดีสำหรับนักวิปัสสนา